วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เรามาเปิดงานเปิดงานจะเปิดถลมเปิดโป๊เปิดใจวันนี้วันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันเสาร์สำหรักจะมาให้กอคิดวันนี้ก็คือเป็นวิืีปฏิบัติที่นี้สำหรับพวกเราเ็นนักปฏิบัติ นักปฏิบัติไม้ใช่นักเผยแค่จะได้นักปฏิบัติก็ได้แต่ว่ายังไงก็ได้คือนักศึกษาก็ได้เพราะนักปฏิบัตินี่ปฏิบัติเพื่ออะไรมันผัสเตอเพื่ออะไรนไ่มั น, นอันมุน ihi. ปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้รู้รู้อะไรรู้ที่ไหนรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเทีนตัวเรา สัมผตัวเราแนบแน่นตัวเราคนเราเมื่อศึกษาตัวเรารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราสัมผัสตัวเราแนบแน่นกับตัวเราเลยยกมาไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือคนเข้าใจธรรมะคนได้หักหลงตนลืมตัวหลงหายลืมใจหลงคิดคิดใจตัวเองแสดงว่า คนนั้นอย่างไม่เข้าใจตัวเองยัยยงไม่เคารพตัวเองเมื่อไม่เคารพตัวเองนวก็เป็นการขัดแย้งกินในใจใจนั้นมันขัดแย้งกันไม่ใช่รูปอันนี้ขัดแย้งกันใจมันเป็นการขัดแยง้งทำอย่างนั้นดีทำอย่างนีน้ทำอย่างนั้นผิดทำอย่างนี้ผูกทำอย่างนั้นจะตกนรกทำอย่างนั้นไปสุ่มสวรรค์ทำอย่างนั้นไปในพาน มันเป็นการขัดแยด้งในตัวเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราศึกษาตัวเรามีพร้อี่นทุกอย่างให้เราศึกษาที่ตัว น, นี้ที่ตัว น, นี้คือมันมีกายมีใจกายที่เรามองเห็นเดียวายลูกเป็นเดียวกลูกกับกายถ้าเมื่อกายมันมองข้ามคนใดมองข้ามกายมองข้ามวาจามองข้ามจิตใจคนนั้น แสดงเป็นคนหลงหลงที่ไหนหลงตายหลงคําพูดหลงใจเรามี่คือคนหลงแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าหลงจะมีีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วทําไมที่ว่าคนตายเพราะมันเน่าเหม็นเปียกแตะอยู่ภายในใจแต่วเน่าเหม็นเปียกแตะอยู่ภในจิตใจ น, น, นั้นมันไม่ได้มีเมาอย่างที่ของ ในบาอย่างที่ขอเลยจัดเป็นวัตก็อย่าง่ยังไงนั้นคนที่จะรู้อย่างไม่ได้เขาต้องเป็นเป็นคนมีตาเคิดเป็นคนมีหูทิด ต, ตาตคิดหมายถึงอะไรหูทิดหมายถึงอะไรวันนี้ต้องพูดให้กันฟังเพื่อคนเข้าใจกันแก่ตื่นอารมเมื่อมันอทิตวันนี้วันนี้เป็นวันจันทั์กองต้องเปิดออเลยให้กั้ง ข้อสำหรับส่วนธรรมสาติปนท่อตั้งขึ้นที่หาดใหญ่คือตั้งอะไรที่ที่แล้วได้ตั้งขึ้นที่ที่แรกที่สุดหลวงพ่อมาพ่อมาทนที่สวนยางบ้านสุนวิสิตต่อมาข้อหลวงพ่อถาวรณสวงพ่อาวรมาทำการอดเรือนที่วัดไทนที่พระเตียน และกอรที่นี่ก็มาตั้งที่นี่ที่ตรงนั้นก่อนลมเลิกไปที่นี่ถ้าหากพวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติรู้แล้วมั่นคงถ้าหากล้มจากที่ไต่ตยังควรมั่นคงไม่ค่อยมีควรมั่นคงไม่ค่อยมีก็จะถือว่าเราเป็นพวกมีคุณธรรมไหมมีแต่เราพูดเอาเองธรรมะมันเป็นสิ่งที่มั่นคงหาวรคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปผัน อันนั้นคือธรรมะหากมีการเปลี่ยนแปลงวันไหลต่ออารมณ์ใดๆทั้งหมดอันนั้นก็เป็นธรรมะแต่ธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะทำไมถึงว่าไม่เป็นธรรมะคือยังมั่นคงต่ออารมณ์ไม่ได้ยังเขารับตัวเองไม่ได้ยังไม่เห็นตัวเองยกมือไห ว, ตว้ตัวเองยังไม่ได้ยังไปยกมือไหวส้สีเวดาหรือยกมือไหว้พระอินทรพรมอยู่ที่ไหนไม่รู คนแบบนั่นจะถือว่าผมเข้าใจธรรมะไหมเข้าใจแบบนั้นมันน่าจะเข้าใจแบบที่ตัวของอาตมาหรือตัวของผมพูดนี้ตัวของผมพูดนี่ผมอายุ46ปีผมเลยไม่ไว่ายอะไรเลยผมว่ายตัวผมการทํกาทการพูดการคิดผมต้องเลิกไม่ว่ายตัวเองของผมก่อนผมทําดีขนาดนี้ได้ผมเห็นอย่างนั้น เมื่อคนไม่เห็นตัวเองทำดีทำทั่วจะถือว่าคนไหมเป็นคนแต่ไม่ใช่คนเขาเป็นคนเป็นได้ยังไงเป็นได้เพราะแข้งขาหน้าตามีอเขาเป็นคนเพราะเกิดกับค น, นก็ต้องเป็นลูกคนเกิดกับคนเป็นลูกคนออกมาหน้าตาแข้งขามือเขาก็เป็นคนจิตใจไม่ใช่ค น, นทำไมจึ่ไม่ใช่คนมันไม่ใช่ับคน จะเป็นคนเลยนคนไม่รู้จักคนเป็นคนไม่ได้แต่คนรู้จักคนจริงจะเป็นคนได้บ้านาเน่ยเขาเรียกว่าคนเป็ว่าควนมีของหลายอย่างมาผสมกันเลือกคัดจัดหาสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ขอใช้ได้สิ่งดีไม่ขอใช้ได้จัดออกไปเป็นพักเป็นพวกเห่างนันเรียกว่าคนคนเลือกเอาได้ถ้าหากเลือกเอาบ่ได้นั้นไม่ใช่นคนคือมันไม่จักคนนี่ล่คือมันไม่เลือกเอา อย่างั้นที่นลวงพอ่อพูดคนจะต้องเลือกคัดจักหาสิ่งที่มีค้ามีคุณถ้าหากเลือกคัดจักหาสิ่งที่มีค้ามีคุณไม่ได้นั่นไม่ใช่คนแต่เป็นคนใจไม่ใช่คนคือใจใจมันเป็นอะไรเนะี่ยมันไม่รู้บางทีเป็นสีก็ได้เป็นเอ ก, กก็ได้เป็นตัดนรกก็ได้เป็นตัดเวลาสารก็ได้ เป็นอสุลกายก็ได้คําว่าอสุลกายเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้ที่หลวงพ่อรู้จักอสุรกายไม่ก็หมายถึงบุคคลผู้ที่ใครจากสมจิงมากที่สุดหลวงพ่อ เ, เ, เข้าใจอย่างแต่เมื่อขณะที่หลวงพ่อเรียนอสุลกายนั้นหมายถึงผู้คนแอผู้พึ่งพัวไม่ได้กันเลยแต่เมื่อหลวงพ่อไปปฏิบัติมันมีความเข้าใจ <c oughs> คือบุคคลที่ไคลจากเหตุจากผลไคจลคคจากความจริงไคลจากการปฏิบัติไคลจากมรรคผลมิตรานไกลจากพระพุทธเจ้านั่นเองจวงอาตุลกาลพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์นี้มีอายุอยู่ตั้งนานอย่างที่สมณะโอมดมอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราอายุสามสิบปีท่านตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอายุแปดสิบปีตาย พอฟังแสงทึ่งห้อยเท่านั้นเองนี่เท่านั้นเองพวกที่อัศว์กายยืดไปบัดนี้พระศรีอรียเมตไตมีอายุแปดหมื่นปีจะมาตัดกระูเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนาอยู่เป็นระยะเวลาสี่หมึ่ปีพวกอัศว์กายเนี่ยยังเห็นแสงพระศรีอลิยเมตไตนในเมฆทอแสงทึ่งห้อยนีงเองเรวรู้ไว ลิซานามพระปานแสงนเพราะนั้นแยกเท่านั้นเองแสงธรรมมืม่นิสณีหรือพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะลุนานถนัดดังนั้นคนเราก็ห้เขา้าใจจสิงตอนนี้เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็เลยจะมาเล่าที่กาตนาพุทธเหล่าเีฆพอเราให้สังเกตุมันเป็นเด็กกันได้กาตนาพุทธได้ร่วมไปได้ห้าพันปี เพุทธศาส น, นาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสูญหายเป็นอันตรฐานไปท้งเมื่อสรศาสูญหายไปหมดแล้วแสงพรอาทิตย์หรือแสงตะวันหรือแสงตะเวนมันพูดหลายคำตะวันนี่คือหลวงพ่ถามวานนีถามพวกเร า, ามันหลงพอเรียกว่าตะเวนมัน พ, พูดไม่เหมือนกันหรือแสงพรอาทิตย์น จะมืดไปทั้งหมดเลยไม่เห็นเลยมืดกับเหมือนคนอยู่ในถ้ำนี่เองเมื่อศาสนาล่วกไปได้ห้าขันตรีคนไม่รู้จักทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกไม่รู้จากการทำมาหากินไม่รู้จักอะไรทั้งหมดเลยมืดปึ๊บอยู่เหมือนกับคนอยู่ในถ้ำนี่เองความสว่างไม่มีแบบ น, นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธรูปในโลกไม่เลื ไม่ใช่เพาะแต่ในเมืองไทยแต่ในโลกทั้งหมดมหอย่างเหาะไปรวมสมมติเอาสวนธรรมะสาคูนก็ได้เหาะมารวมที่ตรงนี้พอดีพระพุทธลูกเหาะมารวมที่สวนธรรมะสาคนนี่แล้วมูกที่เป็นวัตถุที่จะบถูกด้วย ม, มือมองเห็นด้วยตานี่นะจะมีไฟมาอะไรากันหรือจะธาดไฟธาตุาตของพระพุทธลูกนั่นะ จะเกิดเป็นไฟไหม่ตัวเองหมดไปเลยแณดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าที่ไปเกาะอยู่ในพระพุทธรูปแต่ละองค์ละองค์นั้นเทาาเาน่ากับเมล็ดงาเท่ากับเม็ดงาบ้านาหลวงเล็กเลน้อยทางนี้เท่ากับมเมล็ดงาเนี่ยมันเป็นเสียงหั้นลิ้นเมล็ดงาลิ้นลินลนิดเดียวแต่บ้านหลวงพอไม่คยเล่นอะไรเลยเท่ากับเม็ดงาดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าอัานเท่ากับเป็นงานจะรวมตัวกันเข้า แต่ที่ลูกปีวัตถุไม่ปมป palace, ป ances, ไปหมดแล้วเป็นฟุ้นเป็นธุลีอะไรไปหมดนะก็จะมารวมตัวกันเข้าวงจิตวิญญาณเป็นลูกเจ้าสายสิทธาคุมาเลือกเป็นลูกพระพุทธเจ้านียเนยมาแสดงธรรมเจ็ดวันเจ็ดคือจะเปิดโลกให้แสงตะวันหรือแสงสาชิตหรือแสงตะเวนมีกลมสว่างออกมาคนใดไปฟังเทศในขณะนั้นเนี่ย ผู้ที่มีปัญญาจะได้เป็นพระอรหันต์คนใดมีปัญญาน้อยลงมาจะได้เป็นพระอนาคารีคนใดมีปัญญาน้อยลงมาจะได้เป็นพระส oh hm ัจจ enfin ีพาราคนใดมีปัญญาน้อยลงมาจะได้เป็นพระโสดาบันคนใดมีปัญญาน้อยลงมาก็ได้เป็นมนนี้คนใดมีปัญญาน้อยลงมาก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่เองตัวของผมเองนะหลวงพ่อเอง ทำบุญให้ฐานแต่ละครั้งละครั้งเนี่หลวงพ่อมึกว่าอยากไปเกิดที่นั้นเลยอยากไปฟังธรรมะกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมะข่าวนั้นเราได้สร้างสมอบรมหรือบารมีเอาไว้ฟังอาจจะเข้าใจว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าใจอย่างน้อันนั้นเป็นการเข้าใจลึกเกินไปแต่เราไม่เข้าใจความหมายเยือนี่เมืองไทย พือศาสนาพุทธหรือเป็นมุขได้ 2,530 กว่าปีนี้แล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษาวันที่ 20, 20นนนะวันที่20วันนี้นะวันที่20วันนี้เน่ยยังไม่ถึง 5,000 ปีเสียงใน 2,530 ปีนี้เดี๋ยวนี้มองดูสภาพคำพูดเนี่ยคำสอนของพวกเรา เราเออกคาพูดคาสอนของพวกเราเนี่ยไปสอนนึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนไนเป็นอย่างนั้นคนก็เลยไม่รู้จักทิษฐานทีนน่ทำยังไงเป็นบุญทำยังไงเป็นบาป ท, ทำยังไงเป็นปัญญาทำยังไงไม่เป็นปัญญาไม่ค่อยรู้จักกันคันท่ไปเจริญวิปัสสนานะบนัดนี้เอาวิปัสสนาเข้ามาแล้ต้องไปนั่งขัดสมาธินับตา ไม่อยากมองเห็นอะไรให้มันสบายใจถ้าหาว่าเป็นมันตาก็ต้องพวกตาพึ้งสักดีนะพวกตาพึ่งออกไปไม่ต้องมองเห็นอะไรเลยคงจะสบายคนไม่มีตาไม่ได้มองเห็นอะไรเลยจะคนแบบนั้นจะเป็นคนมีปัญญาทํำไมด้วยพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไรว่ะคนจะมีปัญญาได้เพราะพ่อมเชียร คนจะร่วงทุกข์ไปได้กับพวกข่มเพี้ยนข่มเพียนแบบนั้นมันไม่ใช่ได้ข่มเพียนในทางาพระพุทธศาสนากระมังข่มเพียนแบบนั้นมันเป็นข่มเพียนของพวกอาลาดาบุตรครูทาง 6, หกเมื่อใครๆก็าตามเนี่ยในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นเรียนกับพวกนั้ น, นมาแล้วอันนั้นไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามันมีมา ก, ก่อนพุทธกาสนาเราเลือกคัดจัดห า, าได้แล้วด้วยยาง เลือกคัดไม่ได้จะเป็นคนไหมยังไม่ใด้ผลยังเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นมนุษย์ทำไมเพียงพูดอย่างนั้นก็พูดความจริงให้กันฟังอันนี้พูดอย่างนี้ก็ต้องมาพูดที่พูดรมื่วานนี้น้อ ย, อ ย, อยกับพวกอะไรรัฐมนตรีอะไรนมาเปิดอบรมวานี้เนี่ยนะสมัยนั้นมีฤาษีคนหนึ่ง ได้บำเพ็ญเพียรมาจนได้ตัดสู้เป็นพระอหรหันต์เมื่อตัดสู้เป็นพระอหรหันต์แล้วคิดถึงสัตว์โลกทั้งหมดเลยแม่หลงกันไม่รู้ทิศทางอะไรคนทั้งโลกนะจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนอะไรก็ตามน่ะแต่เพราะลือสีมีอีกที่ปฏิหารมีอีกที่พ้นว่างไ เพ่งเลงลงนึกให้คนทั้งโลกมารวมกันอย่างที่สวนธรรมสาสตรนี่แลวก็เพ่งเลงถึงสัตว์ทุกประเภทให้มารวมกันที่สวนธรรมศาสตรนี้เองบัดนี้นึกแล้วก็ต้นคำมามาแล้วก็มาพูดกับคนจะให้คนกับสัตว์พูดกันได้ในวันนี้หรือสีมีที่กติหารมีที่คนก็เลยให้คนเลือกกันขึ้นมาเป็นคน เลือเอาคนจะเอาใครก็ตามจะเอาคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยุนคนอะไรให้ว่าคนในโลกนี่แหละเลือกขึ้นมาคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มากเพื่อจะมาสนทนากันจะแก้ไขปัญหาหรือมาพัฒนาให้มันดีขึ้นบันนี้ก็เลือกได้าศาสตราจารย์คนหนึ่งเป็นคนเรียนมากให้ว่าเช่นจบ ในวัดศา ส, สดาจางเขาเป็ผู้เรียนมากถ้าหากว่าพูดถึงว่าเรียนพระไตรปิฎกก็ต้องจบอะไรต้องจบเพรานั้นมองเห็นสภาพเรื่องปัญญาเนี่ยคำว่าเป็นศาสดาจางก็ต้องเป็นคนมีปัญญาเรียนจบขยบก้าวคนนะ่ะถ้าสมัยนี้แล้วก็เรียนพระไตรปิฎ ก, กเป็นจบคนนะ่ะเป็นเลือกได้ศาสดาจารย์คนนี้นนะครัขึ้นบรรยายธรรมะ คือขึ้นบรรยายธรรมะก่อนที่จะบรรยายธรรมะต้องทำมลมขลรกกับลือสีอย่างนั้นอย่างนี้ประธรรมดานี่แก่ณเนวบายของคนจะพูดกันไปวันนี้พอดีพูดจบแล้วก็เลยเท่าที่ศาสดาจารย์ได้บรรยายธรรมะการขาลรกของลือสีแล้วแต่อุดมการณ์ของตระผมอยากพัฒนาตับโลกให้มันมีปัญญาเหมือนคน แต่ว่าสัตว์โลกก็ต้องเลือกตัวแทนขึ้นมาขึ้นมามาพูดกับศาสดาจา ร, รย์ฤฤษีก็ต้องเอาวพ อ, อแล้วศาสตราจารย์เอาไว้นี่ก่อนวันนี้เลือกสัตว์โลกวันนี้สัตว์คลื่นนา้าคลื่นบกสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์เลื่อนผานเป็นปึ้งเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยเป็นไม่ว่าตัวยุงตัวเหี้ยบ้านหลวงขอโทษหนึงตัวนี้ตัวยุงตัวเลนเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยตัวมดตัวแมงสัตว์ทุกประเทศเนี่ย เลือกเอาจะเลือกเอาใครก็เอาเอาคนที่รู้จักมาต่อว่ากับศาสดาจารย์สัตว์โลกอ่อนหน้างอไปได้จะเลือกเอาใครไม่รู้คนเลยพ่อไม่รู้นี่ไม่ได้เรียนหนังสือสัตว์โลกเอไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้เลยไม่เคยทํามาหากินอะไรทั้งหมดเลยเมีสัตว์มีมีสัตว์ตัวหนึ่งสํานึกขึ้นมาได้อ ถ้าเอาเมงวันจะดีเพราะเมงวันนี่มันซอกแทกเข้าทุกอย่างของเหม็นมันก็ไปตอมได้เยอุจจระของเหม็นนะหรืออาหารนังน่งๆก็ไปตอมได้อาหารดีๆแบบนี่ยมันก็ไปตอมได้ไปจอได้เต็มวันคนรวยๆมันก็ไปจัดศีรษะได้จับบ่าได้คนจนๆมันก็ไปจัดศีรษะจับบ้าได้บ้าเนี่ยูจ้จอกบ่าศีรษะเดียวเนาะจับบ่าได้เนี่ยไปจับได้ทุกที่ แม้พระสงฆ์องค์เจ้ามันก็ไปจับศีรษะของพระสงฆ์องค์เจ้าได้ไปจอมที่นั่งที่นอนของพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้แม่สัตเล็กๆในน้อยอยู่ที่ไหนมันก็ไปรู้ทั้งหมดเลยเมงวันแม้เขาเครื่องบินก็ไปถึงดวงที่ดวงจันทร์เมงวันก็ไปด้วยได้สตัวนั้ก็เลยเสนอให้แมงวันเอ้าขอเสนอเมงวันตัวนั้นที่มีอายุมากๆนั้นเองเมงวันมีอายุมากประหลชน์อะไรอยู่เมงวันนี้ก็จะว่า เ็ดวันนีลยตายเรื่อีม่มีงวันนี่มีอันนี้เจ็ดเจ็ดวันนี่ตายเรื่องเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้เ้มีคนรู้ได้ได้ยินเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้<ม>ก็เลยเลือกเอมียงวันเนี่ยพอดีเมงวันก็ขึ้นตาใสขมรูดวันนี้ถือว่ามีเกียรติท่านดลือสีให้เลือกผมเป็นผู้มีเกียรติเลย ข้างข้าเบื้องนี้ข้างข้าเบื้องเบื้องซ้ายมือนี่นะเป็นพวกมนุษย์กับทางหลังอ้อมอยู่คนในบริเวณปฏิอย่างที่สวนอย่างสวนธรรมสาสนร์กุองอ้งนี้ข้างเบื้องขวเนี่ยเป็นพวกสัตว์ด้วยคานตัดทุกประเทศอยู่คำนี้ข้างทางหน้าเป็นแม่น้ำเหมือนสัตว์ที่ในน้ําก็ต้องอยู่ในน้ําคอยฟังแมลงวันจะโตกับ ศาสตาจารย์เอาศาสตาจารย์ขึ้นมาศาสตาจารย์มีความคิดเห็นยังไงก็เก้ากับผมมีความคิดเห็นว่าอยากพัฒนาสัตว์ทุกประเทศให้มันมีความรู้เหมือนกับคนให้มีปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกับคนเพราะว่าคนกับสัต์นั้นเกิดขึ้นมาทีแรกคนก็ไม่รู้จักการทำมาหาจินไม่รู้จักการหุงต้ม ไม่รู้จักมูงเสื้อไม่รู้จักมุงผ้าไม่รู้จักปลูกบ้านแปลงเรือนแต่คนได้ถูกพัฒนามารู้จักการส่งต้มรู้จักการอยู่การกินที่แรกต้องนอนรมไม้นอนป่ามงน้อน ก, นกันกับพวกเธอแบบนี้เอาเห็นดีด้วยไหมพวกคนระตบมือกันคึอกปนอย่างที่บ้านเราประชุมกันแล้วก็ต้องตบมือเห็นดีด้วย วันนี้เอ า, มาแมลงวันขึ้นมาเอ า, มาแมลงวันขึ้นมาต่อว่ากับาศาสดาจารย์เลยทุกอย่างาศาสดาจารย์พูดมาเนี่ผมยินดีรับเป็นบางตอนบางตอนผมขอไม่นับเอาที่ไม่นับควอมไหนเอาว่ามาที่ผมรับคือต้องการอย่างที่าศาสดาจารย์พัฒนาหรือมีความยินดีจากพัฒนาพวกผมผมยินดีคือพัฒนาให้มีสิ่งมีธํา ไม่ให้มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้พวกผมเห็นดีถ้าหากพัฒนามีแต่การศึกษาเล่าเรียนให้มันไวไปนั้นพวกผมไม่ต้องการเพาพวกผมเขียนหนังสือไม่เป็นไม่รู้จักการหุงต้มไม่รู้จักนุ่งเสื้อนุ่งผ้าแต่พวกผมสบายไปไหนมาไหนไม่ได้มีของมากเนอาหารการกินกินแล้วก็แล้วไปเมื่เรียงวันน้นล แต่พวกคุณพัฒนามีผมรูปมากยิ่งไปติดสม ม, สมุติมันจะไม่เห็นวันนี้ก็เลยพูดในน้อยเว่าอะไรเริ่มมีอะไรนิดหน่อยก็คือตัวนักตักผู้ไค่ใช่เยอะไอ้วัน ม, ม, มาพูดแล้วหลวงพ่อก็เลยพูดว่าติดสมมุติในน้อยคนเรามันไปติดสมมุติพวกผมก็เลยมีผมพุก ติดซื้อติดเสียงติดเกียดติดยศกันยังไงวะพวกผมไม่อยากพัฒนาอย่างนั้นพวกคุณพัฒนาการติดเสียงดีแล้วแต่ผมไม่ชอบพวกคุณติดซื้อติดเสียงติดเกียดติดยุดผมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรตั้งกฎหมายขึ้นมาจับกันไปขังคุกขังตาราดมีการกูบาจาัดมาให้ฟัพวกคุณสร้างขึ้นมาอย่างนั้นผมมันเดือดร้อน อ้าววันนี้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ตกมือขึ้นขึ้นขึ้ น, นเลยเห็นดีด้วยกับเมีงวันอ้าววันนี้ศาสดาจางขึ้นว่ายอยีกหนเลยทําไมพัฒนาให้เจริญทําไมจุณไม่ชอบคุณไม่ชอบเงินนี่ขอเมีงวันขึ้นมาผมไม่ชอบเงินผมไม่ชอบคมเจริญแบบนั้นเงินมันดีดีนะดีอะไรอพูดลงมาอยากได้อันแบบเขาได้อยากซื้ออย่างเขาได้ เทคนิคจินดาเครื่องใช้ไม่สอยเอาเงินไปซื้อเอาได้ทั้งนั้นเอามาแมลงวันไปยังไงไม่ชอบเงินก็ไม่ชอบเพราะคุณตั้งเป็นพักเป็นพวกขัดอกขัดใจขัดเยื้งในคำพูดกันมานั้นก็เพราะเงินนี้เองเหมือนเดียวกว่วกคุณก็ต้องคณะนั้นกรรมการอันนั้นเห็นดีขึ้นมาตั้งพักพวกของคุณพวกผมก็ด้อยกัน ญ, ญา บางนี้พัฒนากันขึ้นมาแล้วก็จับคนนั้นไปขังคุกจับคนนี้ไปขังตารางอาพอมาดูคุกตารางเป็นเดียกันแล้วพวกคุณนี่เป็นเองทําขึ้นมาประหยัดเป็นมาเองพวกคุณถ้าเป็นพรรคของคุณแจะทําผิดกฎหมายคุณก็ไม่จับกันคนที่ไม่รู้กฎหมายคุณก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพรรคในช่วงของ ค, คุณก็จับไปขังคุกขังตารางหรือบางทีจะไปประหารตีวิตพวกผมก็ตายไปผมไม่เห็นด้วย เพราะว่าพวกคุณพัฒนาอย่างพาะค่าจิกสิขับไม่เอาด้วยแมยงวันมันว่าอะไรเรื่องหนูก็จำไม่ ไ, ไดเจ้าอันนี้อนมด้วยนั่นนี่แมงวันก็ยังดีเพราะแมงวันมันซอกแทรกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมะที่สวนธรรมะสาปนกอน็อย่าไปเสื่อเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มากเกินไปเมืเรียนมาแล้วเกณฑ์เป็นศาสตราจารย์ก็ยังสู้แมงวันไม่ได้อันนี้พูดกันรัลับ เมลแองวันดีอะไรเมลแองวันมันมีศีลมีธรรมมันพ่อให้มีศีลธรรมไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและการอย่างที่หลวงพ่อมาพูดกันวันนี้คนมีเงินซื้อคนไปฆ่าก็ได้นี่คนมีเงินไปจ้างกันมาฆ่าก็ได้คนมีเงินทำผิดกฎหมายแล้วเอาเงินไปให้คนที่มีอำนาจไม่ผิดกฎหมายเป็นย่างนั้นอันนี้แสดงว่าเงินนี่มีพิีห้าย ถ้าหากไซได้เป็นถ้าใไ้เป็นเล้วทําประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมือมงเจริญขึ้นมาได้พัฒนาถนนหนทางสร้างเครื่องยนต์กลไกได้จริงๆอะไรได้ทางนั้นแมลงวันไม่พอเลยเพราะว่ามีเงินผมก็เห็นดีด้วยแต่ว่าขาดจากถนงคำใส่แล้วไม่เห็นดีทางนั้นแมลงวันมันเ้าเลยตาในน้ำเอาแล้เบิดไปทิ้งใส่ตายกันหมดเลย ตัาน้ำก็เดือดร้อนเหมือนเอาวันนี้ต้นไม้มีในป่าเอาไปตัดลงมาไฟเผาเป็นมุดเป็นแมงไฟไหม้เดือดร้อนเปนะย่านั้นวันนี้ตัดที่ไปต้นกับต้นไม้ไม่มีต้นไม้มีแต่ไม้แห้งแม่อะไรเดือดร้อนทางนั้นยาพิษยาที่เอาไปไม่ใช่ยาพิษจะเป็นยาพิษที่เอาพูกผักพูกง้ามเนี่ย วันนี้พูดขึ้นมามันไม่งามเอายาไปชีดแตกแม่แรงไปตอมแล้วหักง่าเหล่านั้นมันไม่สวยได้งามมุกผมไปตอมตายไ ป, ไ, ปไปทั้งหมดเลยยนะาที่เหล่านี้ไม่มีด้วยนี่มันเบียเดเบียนไม่มีคุณธรรมไม่มีสิีลไม่มีธรรมแต่ก้อนไม่มียาชีดอย่างนี้พวกผมก็าได้กินแม้เจ็บคไายได้ป่วยไปแล้วไปแห่นเอาใบไม้ปากเอาปากไปกัดเอาใบไม้ เรือหักไม่มากินก็หายเดี่ยวนี้ไปกินยา ก, ก็ลังปูุขึ้นมาบางทีตายก็มีหลายเรื่องหลวงพ่อจำไม่ได้ถ้าพัฒนาแบบนั้นไม่เอาถัดโลกดเห็นดีเมืองวันก็เลยไม่เอาวันนี้เอ า, เอ า, เอายังไงดีทถ้าหากให้เมงวันพัฒนาดูท่านอศาสดาจานคอเพราะว่าหลายเรื่องหลวงพ่อจไม่ได้แม้เครื่องใสไม่สอยทุกสิ่งทุกอย่างและเมืองวันไม่ได้ ให้แม่แรงวันพูดแม่แรงวันก็เลยพูดให้มแม่แลงวันออกในพวกคิดพัฒนาอยากพัฒนาจิตใจคนที่มันไวเกินไปโดยเฉพมันเร็วสามเนี่ยเร็วดีเนยเร็วเกินไปไวเกินไปพวกผมพัฒนาไม่ทันอยากให้พัฒนาเอาลูกระเบิดที่ไปทิ้งเตาปูเตาปลาเตากุ้งใตาหอ ย, ห, อยหรือไปทิ้งในต้นไม้ทิ้แต่โคนนี่นะ่ะมันตายมันเป็นพิษเป็นอเป็น พัฒนาเอาสิงเหล่านี้มีอยู่ประเทศใดบ้านใดเมืองใดเอาไปลงเลยในมาหาสมุทรที่ไหนฮะเอาไปทิ้งเลยคุณที่มันโอนน้ําให้มันซะนพวกผมเห็นดีอย่างนี้แล้วก็ยาคิดยาที่มันเป็นคิดเป็นไอที่มันไม่ดีเนะี่ยพร้อมกับไปขุบหลุมฝังนะครับดักคิดให้มันหมดซะพวกผมเห็นด้วยจะพัฒนาอย่างนี้ถ้าหากติดไปจากนี้เนอะ<ม>พวกผมไม่เอาเพราะว่าชีวิตพวกผมมันเดือดร้อน อยู่ที่ไหนกับกระทบกระเทือนไนอ่างนีบันนี้เมื่อพัฒนาอย่างนั้นเอาสัตว์โลกและมนุษย์จะเห็นดียังไงมนุษย์ไม่ค่อยเห็นดีมนุษย์เี่ไม่ค่อยเห็นดีอย่างจะสัตว์โลกทุกประเทศเห็นดีกับมแมลงวันเมื่อตัดโลกไม่เห็นดีแล้วมันก็ขัดกันที่แบบ น, นี้นี่แหละการขัดแยง้งมันเกิดขึ้นจากที่เรามองข้ามตัวเราไป มองข้ามตายหรือมองข้ามลูกมองข้ามคำพูดมองข้ามจิตใจสามอย่างนี้เดี๋ยวเรามองข้ามเมื่อเรามองข้ามอย่างนี้สังคมเดือดร้อนอันนี้พระพุทธเจ้าอาจจะว่าอย่างนี้เถอให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมะมที่ไม่หลงตน ไ, ล น, งนไม่ลืมตัวคนไม่หลงตนไม่ลืมตัวแล้วแบบสังคมก็จะเลย เดี๋ยวนี้คนหลงตนลืมตัวแล้วสังคมเดืดปัญหาที่ตรงไหนปัญหาก็สักเล็กสักน้อยเหล่านี้มันเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ต้องมาเป็นทักนี้เป็นพทักกรมกรมพรนี่้เหนเลยนะอันนี้สมมุติเอาหน้านี้ไม่ได้ของพจริงแต่สมมุติบันนี้คนเรียนหนังสือเก่งๆออกเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐมนตรีนั้นนี่เป็นคนคนบริหารงานอย่างนั้นเป็นคนบริหารงานอย่างนี้เนี่ย มันนี่คมรู้ฝั่งกลางเป็นอันนั้นเป็นนี่เป็บันี้คนทําผิดกฎหมายอย่างที่พวกกรรมกรไม่มีเงินอาผิดกฎหมายติดพวกจิตหลังบันนี้คนที่มีผมรู้บนันทึผิดกฎหมายเอาเงินให้ผู้มีอํานาจ ก, ก็ก็ไม่ผิดกฎหมายเ็นตัดโลกมันไม่เห็นดีอย่างนี้บันนี้กับเมื่อไม่เห็นดีอย่างนี้ก็เลยเสนอเสียงขึ้น ปาศดาจาง ก, ก่นหน้าจ่อยไปเลยหน้าจอยไม่เือนหน้าน้อยนหน้าไม่ไม่ใหญ่วันนี้พวกคุณมันติดพือติดเสียงติดเกลี ย, ยจจจดติดยศพวกกับผมตัดเล็กตัดน้อยเดือดร้อนแน่คนที่จนจนก็เดือดร้อนก็บพรพวกคุณนี่เอง